45, สี่สิบห้าพรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆอายรยกษค กล่าวถึงปฏิสนธิและกรรมที่จำแนกออกเป็นสีหมวดกระจายเป็นสิบสองบนี้จะได้กล่าวถึงจุติจิตคือจิตที่เคลื่อนออกจากภพกนี้สืบต่อไปท่านแสดงว่ามรณะคือความตายนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุสีอย่างคือหนึ่งสิ้นอายุสองสิ้นกรรมสสิ้นทั้งสอง เพราะกรรมที่ตับรอนอันเรียกว่าอุปเฉตกกรรมสิ้นอายุนั้นคือเมื่อมีกำหนดแห่งอายุเท่าใดเมื่อถึงอายุเท่านั้นก็เรียกว่าสิ้นอายุสิ้นกรรมนั้นมีกำหนดว่าจะต้องเสวยวิบาก ค, คือผลของกรรมอย่างใดเมื่อสิ้นวิบากของกรรมอย่างนั้นก็เรียกว่าสิ้นกรรมสิ้นทั้งสอง ก็คือสิ้นทั้งอายุสิ้นทั้งกรรมตามที่กล่าวมาแล้วพิจารณาดูเขตอายุก็สำเร็จด้วยกรรมแต่ว่าท่านมาตั้งไว้เป็นหัวข้ออีกอันหนึง่งก็น่าจะาพิจารณาเห็นว่าเป็นการตั้งหัวข้อขึ้นตามที่เป็นไปโดยปกติอย่างความตายของบุคคลบางคนพิจารณาดูแล้ว ก็อาจลงความเห็นได้ว่าถึงคราวที่เขาสิ้นอายุอีกอย่างหนึง่งโดยปกติกำหนดอายุของบุคคลเรียกว่าอายุกับปะกำหนดอายุเช่นมีกำหนดแปสิบปีหรือว่าร้อยปีตามเก์ที่เป็นไปโดยมากเหมือนอย่างที่กล่าวไว้ในพุทธประวัติว่าพระพุทธเจ้า ถ้าทรงอธิษฐานอายุสังขารด้วยอิธิบาตภาวนาก็จะพึงทรงดำรงอยู่กับหนึ่งหรือว่าเกินกับหนึ่งท่านแกว่าคำว่ากับหนึ่งหรือว่าเกินกับหนึ่งนั้นหมายถึงอายุกับปะหรือชีวิตกับปะซึ่งมีกำหนดขนาดร้อยปีซึ่งนับว่าเป็นกำหนดอย่างมากในยุค เมื่อแก้อย่างนี้ก็อาจจะเป็นวิสัยที่จะเป็นไปได้เมื่อดำรงชีวิตอยู่จนถึงอายุกับป่าดังกล่าวนั้นจึงสิ้นชีวิตก็เรียกว่าตายเพราะสิ้นอายุได้เหมือนกันส่วนข้อว่าสิ้นกรรมนั้นก็อาจจะเห็นได้ในบางคนเมื่อได้รับผลของกรรมบางทีก็เป็นกรรมดีที่ชีวิตยังดำเนินอยู่บางทีก็เป็นกรรมชั่วชีวิตก็ยังดำเนินอยู่กรรมดีนั้นยกไว เพราะกรรมชั่วอย่างบางคนเสียจริตและก็ดำเนินชีวิตเช่นกินนอนอย่างสักดิรชานบังควกแต่ก็ไม่เจ็บไม่เป็นอะไรก็อยู่ไปได้ถ้าหากว่าเป็นคนอื่นไปทําอย่างนั้นเข้าก็น่าจะเป็นโรค อ, อะไรอย่างร้ายแรงเป็นอันตรายอย่างไม่ช้าแต่บุคคลเช่นนั้นก็ไม่เป็นอะไรก็อยู่ไปได้และบางทีก็อยู่ไปได้นานๆอย่างนี้ก็น่าจะเห็นว่า อยู่ได้ด้วยกรรมคือผลของกรรมชั่วที่จะต้องมาเป็นอย่างนั้นอย่างไม่สิน้นสิ้นกรรมเมื่อใดก็ตายเมื่อนั้นในเรื่องนี้ก็ยังมีคติของคนเก่าๆดังเช่นเป็นสมภารเจ้าวัดจะสร้างโบสถ์ขึ้นใหม่ก็ถือกันว่าถ้าทำโบสถ์ให้เสร็จก็จะอายุสั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เชื่อมตินี้ก็จะต้องให้เหลืออะไรไว้อย่างหนึ่ง ที่ยังไม่เสร็จนี่ก็กลัวว่าจะสิ้นกรรมหรือว่าสิ้นอายุเหมือนกันแต่ว่าความเชื่ออย่างนี้พิจารณาดูแล้วก็จะไม่มีเหตุผลและก็อาจจะเกิดจากการสังเกตเพราะว่าการสร้างโบสถ์นั้นไม่จะทำได้ง่ายและสมภารเจ้าวัดผู้สร้างโบสถ์ในชนบทนั้นโดยมากก็อายุมากๆเมื่อดำริสร้างโบสถ์ขึ้น บางทีก็ใช้เวลานานปีบางทีก็ถึงสิบปีเมื่อเป็นเช่นนี้ถึงจะไม่สร้างโบส์ก็ต้องตายแน่เหมือนกันเพราะนานปีแล้วก็อาจจะเป็นอย่างนี้เห็นกันหลายร า, ายเข้าก็เลยมักจะถือว่าสร้างโบส์เสร็จแล้วก็อายุสั้นส่วนที่ตายเพราะอุปเฉตขกกรรมกรรมที่ตับรอนนั้นยกตัวอย่างก็เช่น ประสบอุปตะวะเหตุหรือว่าถูกฆาตกรรมซึ่งโดยปกติอายุก็จะดำเนินต่อไปอีกแต่ว่าเมื่อมามีเหตุตัดรอนให้สิ่งชีวิตลงโดยปัจจุบันทันด่วนนี้ก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งเป็นประเภทที่สี่ท่านได้แสดงถึงจิตและอารมณ์ของจิตในขณะที่จะตายไว้ว่าในเวลาที่บุคคลกำลังจะตายนั้น กรรมที่จะให้เกิดปฏิสนธิในภพตื่นหรือว่ากรรมนิมิตคือเครื่องอุปกรณ์ต่างๆที่ได้เคยใช้มาเคยพบเคยเห็นมาในขณะที่ตนทำกรรมนั้นๆหรือว่าคตินิมิตคือคติที่ไปที่ตนจะต้องไปเสวยในภพที่จะเกิดขึ้นในลำดับก็จะปรากฏขึ้นในทวารทั้งหกทวารใดทวารหนึ่งตามกาลังของกรรมต่อจากนั้นจิตสันดาล คือความสื่อต่อของจิตก็จะปรารับคืนน่วงอยู่ในอารมณ์ที่มาปรากฏนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์หรือว่าเป็นจิตที่เศร้าหมองตามกําลังของกรรมที่กําลังให้ผลอยู่แลก็น้อมน่วงไปในขติคือที่ไปซึ่งจะต้องไปสเสวยตามสมควรแก่ภพที่จะเกิดขึ้นมักจะเป็นไปดังนี้โดยมากและกรรมที่จะให้เกิดขึ้นต่อไปนั้น ซึ่งตนได้เคยกระทาไว้แล้วก็จะปรากฏเหมือนอย่างเป็นกรรมที่ตนกำลังกระทาอยู่ในบัด น, นั้นในฝ่ายชั่วจะเดกฆ่าได้ลักไว้ปานาติบาตหรืออธินาทานก็จะปรากฏเหมือนกำลังกระทาอยู่ในเวลานั้นหรือว่าในฝ่ายดีทานศีลที่ตนได้บำเพ็ญไว้ก็จะปรากฏคล้ายกับว่า ได้กำลังบำเพ็ญอยู่ในเวลานั้นจุติจิตคือจิตสุดท้ายในภพปัจจุบันก็จะเกิดขึ้นในที่สุดของวิธีจิตหรือว่าในขณะที่สิ้นพวังกจิตแล้วก็ดับไปตอนนี้เรียกว่าตายในอันดับของเวลาที่จุติจิตในภพก่อนเกิดขึ้นและดับไปนั้นปฏิสนธิจิตซึ่งสืบต่อภพใหม่ ก็ปรากฏทันทีและก็ปรารภอารมณ์ที่จุดติดจิตในภพก่อนนั้นได้ยึดถือมาแล้วมาต่อเนื่องกันสำหรับมรณะคือความตายจะมีขึ้นได้นั้นก็ต่อเมื่ออารมณ์ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเป็นอารมณ์ที่ลำรงอยู่ด้วยกรรมหรือกรรมนิมิตหรือคตินิมิต ด, ดังกล่าวมาแล้วมรณะกล่าวคือจุติดจิตจึงเกิดขึ้นโดยปกติท่านแสดงว่า บุคคลที่ได้ถือปฏิสนธิมาแล้วจิตก็ปรารบอารมณ์หรือน่วงอยู่กับอารมณ์จำเดิมแต่ลำดับของปฏิสนธิจิตครั้งแรกนั้นเรื่อยมาจนถึงจุติจิตบังเกิดขึ้นในครั้งสุดท้ายเมื่อวิถีจิตที่ดำเนินไปไม่เกิดมีขึ้นจิตนั้นก็ไม่ขาดสายแต่ว่ายังสืบต่ออยู่เป็นระวังกจิเป็นไปเหมือนอย่างกระแสน้า และในที่สุดเมื่อจุดติดจิตบังเกิดขึ้นแล้วก็ดับปฏิสนธิจิตที่บังเกิดขึ้นในภพใหม่ก็ต่อเนื่องกันไปตามลำดับเหมือนล้อของรถที่แล่นไปนท่านแสดงไว้ในคำปีอภิธรรมนี้ว่าอย่างนี้สำหรับพระสูตรนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสแสดงไว้โดยละเอียดเหมือนอย่างที่กล่าวมาแต่ว่าได้ทรงแสดงโดยหลักธรรมเช่นว่า เมื่อจิตเศร้าหมองก็หวังทุกติได้เมื่อจิตไม่เศร้าหมองก็หวังสุขติได้น้ำหนักในพระสุตันตที่พระพุทธเจ้าแสดงนั้นมุ่งทางปฏิบัติธรรมอังเช่นตรัให้ละชั่วทำดีชำระจิตของตนให้ผ่องใสและได้ทรงแสดงหลักของการปฏิบัติไว้อันเป็นหลักที่จะพึงพิสูจน์ได้ด้วยตนเองให้รู้ได้ในปัจจุบัน แต่ในด้านที่จะพึงรู้ได้เฉพาะตนสําหรับท่านผู้มีญาณพิเศษดังเช่นมีจุดตูปะปาตยานรู้จุดติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ส่งแสดงไว้เพราะแม้จะส่งแสดงไว้ก็รู้ได้เฉพาะผู้ที่มีญาณอย่างรู้อันพอกันเท่านั้นแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ในด้านปฏิบัติเพราะฉะนั้นจึงได้มุ่งแสดงชี้แจงในข้อที่จะเป็นประโยชน์ในด้านปฏิบัติดังที่ใช้คําว่า เป็นอาธิพรหมจรรย์คือเป็นต้นพรหมจรรย์คือเป็นต้นความประพฤติดีประทฤตชอบมีข้อที่ควรสังเกตการใช้ศัพท์คืออารมณ์กับอารมพณพนะคำว่าอารมณ์นี้เรียกตามศัพท์ว่าอารมณะเขียนนอรเนกรันแต่ที่เขียนกันมักจะชอบใช้ยอยักษ์การัน เป็นการเขียนไม่ถูกต้องใช้นอเนนการันและมักแปลกันว่าสิ่งเป็นที่มายินดีโดยความนั้นหมายถึงเรื่องที่จิตคิดหรือเรื่องที่จิตยำริเรื่องที่จิตคร่วมถึงเมื่อจิตคิดถึงเรื่องรูปก็เรียกว่ารูปารมณ์อารมณ์คือรูปเมื่อจิตคิดถึงเรื่องเสียงก็เรียกว่าศัตรม อารมณ์คือเสียงเป็นต้นและตามที่ใช้โดยมากอายตนะภายในหกมีตาหูเป็นต้นถ้าเรียกอายตนะเช่นจักขุอายตนะโสตายตนะอีกฝ่ายหนึ่งคืออายตนะภายนอกมีรูปเสียงเป็นต้นที่คู่กันก็เรียกอายตนะเหมือนกันเช่นรูปายตนะศรัทธายตนะ แต่ถ้าเรียกอายตนะภายในว่าทวารเช่นจักกุทวาลโสตทวาลก็เรียกอายตนะภายนอกว่าอารมณ์เช่นรูปารมณ์สัทธารมณ์เป็นคู่กันแต่ว่าในอภิธรรมมักใช้เรียกว่าอาลัมพนะแปลว่าที่น่วงหรือเครื่องน่วงหมายถึงเป็นที่น่วงของจิตหรือเป็นเครื่องน่วงของจิต เมื่อจิตหน่วงอยู่ในรูปก็เรียกว่ารูปอารัมพนะเมื่อหน่วงอยู่ในเสียงก็เรียกว่าศัท ธ, ธาอารัมพนะโดยความก็เป็นอันเดียวกันแต่ว่าใช้ศัพท์ขึ้นใหม่อีกศัพท์หนึ่งอีกข้อหนึ่งก็คือคําว่าจุติปฏิสนธิกับชาติมรณะจุติเคลื่อนปฏิสนธิสืบต่อใช้ในคำภีร์นี้จุติจิต จิตที่เคลื่อนปฏิสนธิจิตจิตที่สื่อต่อใช้อย่างนี้แสดงว่ามีผู้เคลื่อนออกไปและมีผู้ที่ปฏิสนธิคือสื่อต่อในภพใหม่เหมือนอย่างว่าออกไปจากบ้านหนึ่งและเข้าไปสู่อีกบ้านหนึ่งก็ต้องมีผู้ที่ออกไปจากบ้านเก่าแล้วเข้าไปสู่บ้านใหม่ถ้าหากว่าไม่มีผู้ที่ออกไปและเข้าไปก็ไม่เรียกว่าออกไม่เรียกว่าเขา้า ไม่เรียกว่าเคลื่อนไม่เรียกว่าต่ออันนี้ก็เป็นเงื่อนอันหนึ่งที่ควรคิดแต่ที่ใช้ว่าชาติคือเกิดและมรณะคือตายนั้นเห็นได้ว่าใช้สําหรับสังขารร่างกายโดยส่วนเดียวคือเมื่อก่อเกิดสังขารขึ้นก็เป็นชาติความเกิดและเมื่อสังขารร่างกายนี้แตกสลายก็เป็นมรณะความตาย หากว่าจะมีแต่มรณะคือความตายไปทุกส่วนทุกสิ่งบุคคลก็มีชาติเพียงชาติเดียวแต่นี่แต่นี่มีมติการสืบชาติเพราะฉะนั้นเมื่อมุ่งจะพูดถึงผู้ที่สืบชาติก็ต้องใช้คําว่าจุติปฏิสมธในที่เช่นนี้เมื่อพูดถึงสัตว์ท่านแสดงว่าจุติอุ ป, ปัตต จุติอึ้เคลื่อนก็เป็นคำเดียวกันกับคำคู่ตน้นอุปัตตแปลว่าเข้าถึงใช้แทนคำว่าปฏิสนธิความเป็นทรรนองเดียวกันดังในจตุปปาตยานของพระพุทธเจ้าที่ท่าแสดงว่าทรงได้ในอย่างที่สองของราตรีได้ทรงมีพระาญาณอย่างรู้จุติและอุปัตตของสรรพทั้งหลายว่าเป็นไปต่างกัน สัตว์ทั้งหลายที่ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตด่าว่าพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิสมาทานกรรมของมิจฉาทิฐิกายแตกทำลายตายไปแล้วก็เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกส่วนสัพว์พูดถึงพร้อมด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ด่าว่าพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฐิ สมาธานกรรมของสมาทิฏฐิกายแตกสลายตายไปแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ในพระบาลีนี้ใช้คำว่าสัตว์ที่แปลว่าผู้คล่องคลองอยู่ด้วยอภิชาความไม่รู้จริงตัณหาความดิ้นรนทยานอยากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นต้นแต่ว่าที่ชื่อวัฏฏะนั้นอยู่ทงไหน อยู่ตรงจิตหรือว่าตรงวิญญาณและสัตว์ที่จะไปอุบัติในภพใหม่นั้นอะไรไปนี้ท่านไม่ได้แสดงไว้แต่ก็พึงเห็นได้ว่าร่างกายนั้นไม่ไปแน่เพราะว่าแตกทําลายอยู่ในโลกนี้ส่วนที่จะพึงไปนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในวิสัยของพระสาทคือจักขูประสาทโตสตภาษาเป็นต้น และเมื่อได้ค้างปัญหาไว้เช่นนี้ผู้คิดในรุ่นต่อๆมาจึงได้แสดงออกไปต่างๆเรียกกันว่าวิญญาณบ้างเรียกกันว่าจิตบ้างในอภิธรรมนี้ก็เป็นมติหนึ่งที่ท่านแสดงว่าปฏิสนธิจิตในภพใหม่นั้นเกิดต่อกันไปทีเดียวแต่ว่าพวังกะจิตที่เป็นตัวจิตยืนพื้นนั้นขาดกระแสกันไปแต่ตอนหนึ่งถ้าเหมือนอย่างกลุ่มได้ แปลว่าได้ น, นั้นขาดไปเสียตอนหนึ่งแล้วก็ตั้งกลุ่มใหม่แต่ก็เกิดปฏิสนธิจิตขึ้นต่อกันไปทันทีเหมือนอย่างล้อรถจิตได้กล่าวถึงจิตและเจตสิกมาแล้วบัดนี้จะกล่าวถึ ง, งหมวดที่สามคือรูปซึ่งเป็นที่อาศัยแห่งจิตและเจตสิก รูปนั้นแบ่งออกเป็นสองหมวดใหญ่คือหนึ่งมหาภูตรูปแปลว่ารูปที่เป็นภูต์ใหญ่สองอุปาทยารูปแปลว่ารูปอาศัยรูปที่เป็นภูต์ใหญ่อันเรียกว่ามหาภูตรูปนั้นได้แก่ปฐวีธาตุธาตุดินคือส่วนที่แข็งแข็งอาโปธาตุธาตุน้ำ ได้แก่ส่วนที่เอิบอาบเตโชธาตธาตไฟได้แก่ส่วนที่อบอุ่นวายโยธาตธาตลมได้แก่ส่วนที่พัดไหวหมายถึงรูปที่มีลักษณะดังกลาง่าวอันเป็นที่รวมของรูปที่มีลักษณะอาการต่างๆอุปาทยารูปแปลว่ารูปอาศัยก็หมายถึงอาศัยอยู่กับมหาภูตารูปนั้นแบ่งย่อยออกไปเป็นหมวดๆคือ ประษาทรูปรูปที่เป็นประสาทคือมุ่งถึงส่วนที่ให้สําเร็จการเห็นการได้ยินเป็นต้นส่วนที่ให้สําเร็จการเห็นก็เรียกว่าจักขคูส่วนที่ให้สําเร็จการได้ยินก็เรียกว่าโสตส่วนที่ให้สําเร็จการรู้กลิ่นก็เรียกว่าขานะส่วนที่ให้สำเร็จการรู้รสก็เรียกว่าชิวหาส่วนที่ให้สําเร็จการรู้สึกต่อสิ่งที่สัมผัสก็เรียกว่า นี้คือส่วนที่เป็นประสาทคือให้สําเร็จกิจดังกล่าวมาแล้วไม่ได้มุ่งถึงส่วนประกอบต่างๆดังเช่นที่เราพูดว่าลูกตาเราก็พูดรวมรวมถึงลูกตาทั้งหมดแต่ว่าส่วนที่เป็นประสาทนี้มุ่งเฉพาะส่วนที่ให้สําเร็จการรู้เท่านั้นถ้าเป็นรูปของดวงตาทั้งหมดมีคําเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอักขิ แปลว่าในตาภาษาทรูปจึงมีอีกส่วนหนึ่งโคจะระรูปรูปจะเป็นโครจรคือเป็นที่เที่ยวไปของจิตหมายถึงอารมณ์ของจิตคําว่าโครจร น, นั้นแปลตามศัพท์ว่าที่เที่ยวไปของโครธรรมดาว่าโคย่อมจะเที่ยวไปในที่ที่มีหญ้าเขียวสดที่จะเป็นอาหารแห่งตน จิต ก, ก็เหมือนกันย่อมเที่ยวไปในอารมณ์ที่ปรารถนาเพราะฉะนั้นจึงได้นำชื่อที่เที่ยวไปของโคอันเรียกว่าโคจร น, นั้นเป็นชื่อแห่งที่เที่ยวไปของจิตด้วยโดยเรียกว่าโคจรเหมือนกันหมายถึงส่วนที่คู่กันกันกบภาษาทรูปนั้นได้แก่รูปคือส่วนรูปที่ตาได้เห็นสัตทะเสียงที่หูได้ยินคันธะ กลิ่นที่จมูกได้รับรสสัมผที่ลิ้นได้ลิ้นและโพฏฐพะสิ่งที่กายถูกต้องอันโผฏฐพะคือสิ่งที่กายได้ถูกต้องนั้นถ้าเต็มที่ก็ได้แก่ธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟธาตุลมระเป็นสิ่งที่กายถูกต้องได้ทั้งนั้นแต่ท่านรับเอาสามข้อเว้นแต่น้ำเพราะว่าน้ำนั้น ท่านแสดงว่าเป็นธาตุผสมเมื่อนับรวมโคจะรักรูปทั้งหมดก็เป็นห้าเหมือนกันแต่ว่าท่านนับเพียงสี่คือนับรูปเสียงกลิ่นรสเท่านั้นส่วนผลิตภันั้นถือว่ารวมอยู่ในรูปข้อที่หนึ่งคือเป็นรูปที่ตาเห็นด้วยและรูปที่กายจุดต้องได้ด้วยจึงรวมเข้าเป็นข้อเดียวกันภาวะรูป รูปที่เป็นภาวะมีสองคือภาวะเป็นหญิงและภาวะเป็นชายภาวะเป็นหญิงนั้นก็ได้แก่รูปที่มีลักษณะอันกำหนดได้ว่าเป็นหญิงปพลิสภาวะภาวะเป็นชายนั้นได้แก่รูปที่ลักษณะอันจะพึงกำหนดได้ว่าเป็นชายถัายรูปรูปหวัวใจก็ได้แก่ หัตถยวัตถุแปลว่าเป็นที่ตั้งแห่งหัตถยโดยตรงหัตถยวัตถุนั้นท่านหมายถึงหัวใจที่เป็นอวัยวะสําหรับสูบฉีดโลหิตในร่างกายเพราะถือว่าเป็นวัตถุคือเป็นที่ตั้งของมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุอันรงเรียกว่าเป็นหาตถไทยชีวิต ร, รูปรูปชีวิตหมายถึงชีวิตินทรีย อินทรีย์คือชีวิตเพราะว่าร่างกายทั้งหมดนี้เมื่อยังมีชีวิตชีวิตย่อมบำรุงรักษาไว้ไม่ให้เน่าเปื่อยแตกสลายถ้าไม่มีชีวิตอินทรีย์ก็สิ้นผู้บำรุงรักษาร่างกายก็เน่าเปื่อยแตกสลายเพราะฉะนั้นมุ่งถึงตัวมีชีวิตที่มีอยู่ในรูปทั้งสิ้นหรือว่ารูปทั้งสิ้นที่เป็นตัวมีชีวิตอยู่นี้ตั้งชื่อว่า เป็นชีวิตรูปอาหารรูปรูปอาหารก็หมายถึงอาหารที่บริโภคเช่นคำข้าวที่บริโภคโดยตรงก็หมายถึงโอชาคือโอชะของอาหารที่ซึมซาบในร่างกายมุ่งถึงอาหารที่ซึมซาบในร่างกายนี้ก็ตั้งชื่อเรียกว่าอาหารรูปภาษาทารุปห้าโอรารูปสี่ ภาวะรูปสองหัตยรูปหนึ่งชีวิตรูปหนึ่งอาหารรูปหนึ่งกับมหาภูตะ ร, รูปอีกสี่ก็รวมเป็นส8ปรูปทั้งส8นี้มีชื่อเรียกอีกหลายอย่างเช่นเรียกว่าสภาวะรูปรูปที่มีภาวะของตนอย่างเช่นจักสุปอสสารโสตอสสารก็มีภาวะของตนเอง เรียกว่าลักษณะรูปแปลว่ารูปที่มีลักษณะของตนมีอธิบายเช่นเดียวกับสภาวะรูปเรียกว่านิปปพันนรูปแปลว่ารูปสำเร็จคือเป็นรูปที่สำเร็จรูปมาแล้วอย่างจักสุปสระสาทโสจากประสาทนั้นก็มีรูปสำเร็จของตนเองมาแล้วอันหนึง่งท่านยังแสดงปาทยารูป รูปอาศัยว่าอีกหลายอย่างคือป ร, ริเชทรูปแปลว่ารูปเป็นที่กำหนดหมายถึงอากาศาธาตคือธาตุอากาศในร่างกายนี้หมายถึงช่องว่างในร่างกายนี้อธิบายว่าในร่างกายอันนี้อวัยวะต่างๆอยู่ตามที่แห่งตนไม่ปะปนกันเช่นจักกุทั้งสองก็อยู่ตามที่ของตนโสตคือหู ก็อยู่ตามที่ของตนก็เพราะมีอากาศสัาตเป็นเครื่องปันเขตแดนถ้าไม่มีเครื่องปันเขตแดนอ ว, วัยวะต่างๆก็จะปะปนกันเรื่องนี้ถ้าคิดดูตา่างทางคิดแม้ในปัจจุบันนี้ก็มีเขาเงื่องอยู่ดังเช่นที่บางท่านแสดงว่าในร่างกายของคนนี้มีช่องว่างอยู่มากถ้าจะยุบรวมเข้าไม่เ ห, เหลือช่องว่างอยู่เลยทั้งหมดก็จะเล็ลงเพียงนิดเดียวเท่านั้น ความคิดของบางท่านในปัจจุบันนี้ก็ว่าอย่างนี้แต่ว่าในที่นี้ท่านแสดงว่าปริเฉทรูปรูปเป็นเครื่องกำหนดเขตแดนได้แก่อากาศธาตุวิญญัติรูปรูปคือวิญญาติแต่ว่าเป็นเหตุที่รู้กันมีสองคือกายวิญญาติกิริยาที่ให้รู้กันทางกายวาจีวิญญาติ กิริยาที่ให้รู้กันทางวาจากายวิญญาตได้แก่กิริยาที่กระทําทางกายเช่นชี้มือเพื่อให้ผู้อื่นรู้ความประสงค์ในสิ่งที่ชี้นั้นหรือว่าสั่นศีษรษะเพื่อให้ผู้อื่นรู้ความประสงค์ว่าปฏิเสธหรือว่าพยักหน้าเพื่อให้ผู้อื่นรู้ความประสงค์ว่ารับเป็นต้นกิริยาทางกาย ที่สำหรับให้คนอื่นรู้ความประสงค์นี้เรียกว่ากายวิญยบตัวนการพูดให้คนรู้ความประสงค์ทางวาจาเรียกว่าวจีวิญญยบอันที่จริงถ้าเป็นกิริยาก็ไม่ใช่เรียกว่ารูปแต่นี่หมายถึงว่าในการที่แสดงกิริยาทางกายทางวาจาเพื่อให้รู้ความประสงค์นั้นก็ต้องแสดงด้วยรูปเพราะฉะนั้น คนอื่นเขาจึงเห็นกายคือเห็นกายที่แสดงกิริยาทางกายเห็นกายที่แสดงกิริยาพูดมุ่งถึงรูปที่ต้องแสดงกิริยาดังกล่าวนั้นเรียกว่าวิญญาตรูปวิการรูปรูปที่วิการคือว่าแปรเปลี่ยนไปคือหมายความว่าเป็นรูปที่มีลักษณะอาการต่างๆได้แก่รูปัสสัตว์ล่าหูตา ความเบาแห่งรูปหมายถึงว่ารูปของคนเป็นนิเบาแต่ว่าถ้าเป็นรูปของคนตายก็หนักรูปปัสสะมุทุตาความอ่อนของรูปก็หมายถึงรูปของคนเป็นที่มีอาการอ่อนสลวยอย่างจะคู่แขนเข้าเหยียดแขนออกก็เคลื่อนไหวได้โดยสะดวกรูปปัสสะกัมมัญญาตาความควรแก่การงานแห่งรูป ก็หมายถึงรูปของคนเป็นที่ทางารงานอะไรได้โดยปกติและวิญญาตทั้งสองนังกล่าวมานั้นแต่ว่าวิญญาตทั้งสองได้กล่าวแยกประเภทไว้แล้วจึง น, นักวิการารูปยี่สิสามนอกจากนั้นลักษณะรูปรูปที่มีลักษณะเป็นเครื่องกําหนดได้แก่รูปัสสะอุ ป, ปัจโยความสังสมแห่งรูป หมายถึงความเกิดขึ้นและเติบโตมาโดยลําดับรูปัสสะสัน ต, ติความสืบต่อแห่งรูปหมายถึงรูปที่สืบต่อกันมาโดยลําดับรูปัสสะชระตาความชาราแห่งรูปได้แก่ความเปลี่ยนแปลงชำระสุดโทมมาโดยลําดับรูปัสสะอนิจจตาความไม่เที่ยงแห่งรูปหมายถึงลักษณะที่เรียกว่าไม่เที่ยงสุดท้ายก็คือความตาย ความสั่งสมแห่งรูปและความสือต่อแห่งรูปนั้นรูมเรียกว่าชาติคือความเกิดความจราแห่งรูปนั้นรวมเรียกว่าชราความแก่ความไม่เที่ยงแห่งรูปนั้นก็จัดเป็นมรณะความตายอันนี้เรียกว่าลักขณะรูปรูปที่เป็นเครื่องกำหนดคือกำหนดให้เห็นความเกิดความแก่ความตาย เพราะว่าความเกิดความแก่ความตายนั้นก็ปรากฏอยู่ที่รูปเห็นได้ที่รูปกำหนดได้ที่รูปรูปที่แสดงลักษณะดังกล่าวมานั้นจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลักษณะรูปฉะนั้นจึงรวมรูปในตอนท้ายนี้เป็นปริเชทรูปแต่แก่อากาศสทธาหนึ่งวิญญาตรูปสองวิการรูปสาม ลักษณะรูปอีกสี่จึงรวมรูปทั้งหมดเป็นยี่สิบแปดรูปทั้งปวงนี้ก็เป็นมหาภูตรูปสี่อุปาทยรูปยี่สิบสี่ในรูปเหล่านี้มีข้อที่คูรกาหนดไว้คือปริเฉธ ร, รูปอันหมายถึงอากาศนั้นก็ไม่จะเป็นรูปแท้เพราะว่าเป็นช่องว่างแต่ว่าเป็นช่องว่างที่ประกอบอยู่ในร่างกายอันนี้ อีกอย่างหนึง่งท่านแสดงว่าในรูปเหล่านี้มีอยู่แปดข้อที่รวมกันอยู่โดยไม่แยกกันได้แก่วันณนะแปละวะ่าสีหมายถึงรูปที่ตาเห็นรูปที่ตาเห็นนั้นท่านว่าเห็นได้แต่สีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าวันณะหนึ่งคันทะกลิ่นหนึ่งรสะรบหนึ่งโอชา ได้แก่โอชาที่เกิดจากอาหารหนึ่งและมหาภูตรูปทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมรวมทั้งแปดประการนี้เป็นรูปที่ไม่มีแยกกันรวมกันอยู่เสมอจึงเรียกว่าอาวินิพโยครูปแปลว่ารูปที่ไม่พรากออกจากกันไม่แยกออกจากกันส่วนรูปนอกนี้ สามารถจะแยกออกจากกันได้จึงเรียกว่าวินิโครูปแปลว่ารูปที่แยกออกจากกันได้อันหนึ่งพึงทราบเกล็ดในเรื่องของจิตเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยในปราณาสันลัณวิถีคือในวิถีจิตที่ใกล้ต่อมรณะเมื่อจิตได้ยึดหนุนอารมณ์แห่งกรรมกรรมนิมิตคตินิมิต ด, ดังกล่าวมาแล้ว จุติจิตจิตที่เคลื่อนก็เกิดขึ้นและก็ดับไปก็สิ้นพวังคจิจึงขาดสายกันไปตอนหนึ่งปฏิสนธิจิตปฏิสนธิจิตในภพใหม่ก็เกิดขึ้นสืบต่อไปคราวนี้ในช่องว่างระหว่างจุติจิตและปฏิสนธิจิตนั้นในวาทะที่กล่าวถึงจุติจิตนี้โดยตรงก็คือวาทะของฝ่ายเถรวาตนี้ ได้แสดงเพียงว่าปฏิสนธิจิตนั้นเกิดติดต่อเป็นอนันตระปัจจัยคือว่าเป็นปัจจัยที่เกิดสื่อต่อกันเป็นลำดับไปทีเดียวคือเมื่อจุติจิตเกิดดับไปปฏิสนธิจิตก็เกิดขึ้นสื่อต่อไปทันทีแต่ในระหว่างนั้นพวังกติซึ่งเป็นตัวยืนพื้นก็สิ้นสุดเป็นอันขาตอนไปเสียตอเหนื่ง เมื่อเป็นเช่นนี้ใครเป็นผู้ไปปฏิสนธิเป็นปฏิสนธิจิตขึ้นใหม่ข้อนี้ท่านได้เว้นไว้ไม่กล่าวถึงกล่าวถึงแต่เพียงว่าเกิดขึ้นเป็นปฏิสนธิจิตเท่านั้นการมีวาทะอีกฝ่ายหนึ่งได้ แ, แสดงว่ามีช่องว่างอยู่ในระหว่างคือเป็นอันตระคือเป็นช่องว่างในระหว่างเรียกว่าอันตระภาวะ ภาวะที่มีอยู่ในระหว่างแห่งจุติดจิตและปฏิสนธิจิตในพกใหม่เมื่อแสดงอย่างนี้ก็เป็นช่องให้ความสันนิษฐานแตกแยกออกไปเป็นต่างต่างกันแต่ว่าวาทะตามวาทะตนนั้นไม่ได้แสดงอันตรภาวะคือช่องว่างในระหว่างแสดงว่าต่อกันไปทีเดียวแต่ไม่ได้ตั้งและตอบปัญหาว่าใครเป็นผู้ไปต่อ เพราะว่าสิ้นประวังขจิตขาดตอนกันไปเป็นอันว่าทิ้งปัญหาไว้ให้ไปตอบกันเอาเองส่วนขณะจิตหนึ่งขณะจิตหนึ่งที่ว่าประกอบด้วยอุปาทะความเกิดขึ้นทิติความตั้งอยู่นิโรธะความดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรียกว่าขณะจิตหนึ่งขณะจิตหนึ่ง มีบางกัมพีแสดงว่าเร็วมากด้วยแสดงว่าเวลาขนาดดิดนิ้วมือห น, หนึ่งก็ขนาดแสงโกดขนาจิตว่าว่าอย่างนั้นและอายุของรูปธรรมสิบเจ็ขณะจิตเท่ากับอายุของรูปธรรมหนึ่งนั้นรูปธรรมในที่นี้บางกัมพีแสดงว่าไม่ใช่หมายถึงรูปที่ตาเห็นแต่หมายถึงอุณาเตโชคือเตโชธา อันได้แก่ความร้อนหรือความอบอุ่นก็คล้ายๆกับเป็นพลังงานของรูปและในเรื่องที่เกี่ยวกับเตโชธาตุนี้ในคำพีอภิธรรมก็มีแสดงไวค้คล้ายๆกับในปัจจุบันือกันคือที่เรียกว่าหนาวนั้นท่านว่ามีเตโชธาตุน้อยเท่านั้นรูปยี่สิบดตามที่กล่าวมาแล้วนั้นได้จัดปันประเภทอีกหลายอยา่างเช่นว่า จัดปันเป็นรูปหยาบเป็นสุ ข, ขุมรูปรูปละเอียดประสาททั้งห้ากับโคจรคือวิสัยหรืออารมณ์ที่คู่กับภาษาททั้งห้าเรียกว่าเป็นรูปหยาบเช่นจกักขูประสาทก็เป็นสิ่งที่มองเห็นจับต้องได้และรูปที่ตาเห็นก็เป็นของหยาบเพราะว่ามองเห็นได้จับต้องได้หรือว่าอาจสัมผัสได้ ส่วนรูปที่นอกจากสองโหมดนี้เรียกว่าเป็นสุ ข, ขุมรูปรูปละเอียดเช่นชีวิตินทรีซีอินทรีซีคือชีวิตซึ่งนับว่าเป็นชีวิตต่รูปเป็นของละเอียดจับไม่ถูกว่าส่วนไหนมีลักษณะรูปร่างเป็นอย่างไรเพราะเป็นสิ่งที่ประกอบอยู่กับรูปทั้งปวงหรืออย่างกิยริยาที่แหรู้ทางกายที่เรียกว่ากายวิญญาณ กิริยาที่รู้ทางวาจาเรียกว่าวัจีวิญญาที่จับเป็นรูปด้วยพระรูปแสดงอาการเช่นนั้นจะจับตัววิญญาทั้งสองนี้โดยเฉพาะก็ไม่ได้เพราะว่าประกอบอยู่กับรูปอื่นๆนั่นเองรูปอื่นนั่นเองแสดงกิริยาและก็ตั้งชื่อเรียกขึ้นเป็นอีกพวกหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสุขุมรูปเป็นรูปละเอียด อีกอย่างหนึ่งตาและหูทั้งสองนี้เรียกว่าเป็นรูปที่รับอารมณ์ที่ไม่ต้องมาถึงตัวเพราะว่ารูปที่ตาเห็นเสียงที่หูได้ยินเป็นสิ่งที่มงอยู่ในที่ไกลจากตัวเองแต่ว่าจมูกลิ้นและกายนี้เป็นรูปที่รับอารมณ์ที่ต้องมาถูกถึงตัวรวมทั้งห้านี้ก็เรียกว่าเป็นรูปที่รับอารมณ์ แต่ว่านอกจากนี้ก็เรียกว่าเป็นรูปที่ไม่รับอารมณ์รูปทั้งปวงเหล่านี้มีสมุดฐานที่เกิดได้แต่กรรมกิจกระดูและอาหารทั้งสี่นี้เรียกว่าเป็นรูปสมุดฐานแปลว่าเป็นที่เกิดหรือว่าเป็นที่ตั้งของรูปกรรมที่เป็นกุศล หรืออกุศลที่บุคคลได้ปรุงแต่งไว้ได้ก่อให้เกิดรูปในปฏิสนธิเพราะฉะนั้นเมื่อหมายถึงรูปในปฏิสนธิก็เรียกว่าเป็นรูปที่เกิดจากกรรมจิตที่ดำเนินสืบต่อมาก็ทําให้เกิดรูปต่างๆที่เนื่องกับจิตเป็นต้นรูปที่เป็นกายวิญญัติให้รู้ทางกายเมื่อจีวิญญาตให้รู้ทางวาจา นี่ก็เกิดจากจิต ท, ที่ก่อเจตนาให้แสดงกิริยาให้รู้ดังนั้นคราวนี้เมื่อรูปก่อกำเนิดขึ้นตั้งอยู่เตโชธาที่มีสมัญญาคือว่าเรียกกันว่าเย็นว่าร้อนก็มีส่วนช่วยดำเนินรูปสืบต่อไปรูปที่เตโชธาสนับสนุนให้ดำรงอยู่และให้เพิ่มเติมขึ้นเรียกว่า เป็นรูปที่เกิดจากกระดูกเกี่ยวแก่ดินฟ้าอากาศและต้องอาศัยอาหารกล่าวคือโอชาของอาหารที่ย่อยเป็นโอชาซึมซาบไปในร่างกายเป็นเครื่องบำรุงเลี้ยงรูปที่เนื่องด้วยอาหารดังกล่าวนี้ก็ชื่อว่าเป็นรูปที่เกิดจากอาหารอันหมายถึงโอชาของอาหารส่วนอวินิโพคารป รูปที่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแยกกันไม่ได้มีแปอย่างที่แสดงแล้วอันได้แก่วันณนะคือสีคันธกลิ่นรสชาของอาหารและภูตะาทั้งสีเป็นแปอย่างกับอากาศธาตุที่เกิดจากสมุทฐานทั้งสีรวมกันส่วนลักษณะรูปรูปจะเป็นเครื่องกำหนดหมายให้เห็นไตรลักษณ์ได้แก่ ความสั่งสมขึ้นความสืบต่อรวมเรียกว่าชาติความเกิดและชาราของรูปและความไม่เทียงของรูปอันหมายถึงมรณะความตายอันนี้ไม่เกิดจากสมุทฐานอะไรเพราะเป็นธรรมดาคราวนี้ในรูปเหล่านี้ที่เราเรียกว่าเป็นอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนั้นความจริงไม่ใช่อย่างเดียว แต่ว่าอยู่รวมกันเป็นหมวดดังเช่นเราเรียกว่าจากักรกุปสาตย์ก็ไม่ใช่จักสุเพียงอย่างเดียวแต่ว่าประกอบด้วยสิ่งอื่นๆรวมกันอยู่อีกมากเป็นแต่เมื่อจะเรียกก็ยกเอาสิ่งที่เป็นประธานขึ้นมาเรียกเป็นชื่อเท่านั้นเพราะฉะนั้นรูปแต่ละอย่างความจริงจึงรวมกันอยู่เป็นหมวดหมดท่านเรียกว่ารูปะกะลาปะ แปลว่าหมวดของรูปหรือว่าก้อนหรือฟ่อนของรูปเหมือนอย่างฟ่อนข้าวหรือฟ่อนหญ้าคือข้าวหรือหญ้าที่มามัดรวมกันเป็นฟ่อนและเมื่อจะหยิบยกไปข้างไหนก็หยิบยกไปเป็นฟ่อนฟ่อนรูปนี้ก็เหมือนกันก็เรียกกันเพียงชื่อเดียวแต่ก็หมายถึงว่าติดกันไปเป็นฟ่อนรูปปากลาปะหมวดของรูป หรือว่าฟ่อนของรูปนี้รวมทั้งหมดถึงย1็แต่ว่าจะยกมาเป็นตัวอย่างเพียงบางหมวดเท่านั้นเช่นที่เรียกว่าจักขุพสัสสัตเมื่อกระจายออกไปแล้วก็มีถึงสิบอย่างรวมกันได้แก่ชีวิตหนึ่งอวินิโพขกรูปอีกแปกับจักสูอีกหนึ่งก็รวมเป็นสิบเรียกว่าจักขุทัสสะหมวดสิบรวมทั้งจักสูด้วย พิจารณาดูก็อาจจะเห็นได้ว่าที่เรียกว่าจักสุประสาทนั้นก็จะต้องมีชีวิตประกอบอยู่ด้วยจะต้องมีวันนะมีคันทะมีรัศมและมีโอชาคืออาหารประกอบอยู่ด้วยจะต้องมีภูต่างทั้งสี่ดินน้ำไฟลมประกอบอยู่ด้วยและจะต้องมีตัวจักรกูประสาสต์คือตัวที่ทำให้มองเห็นประกอบอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเรียกว่าจักกูประสาสตร จึงไม่ใช่เป็นตัวปราสาทนั้นเพียงอย่างเดียวที่ท่านจำแนกไว้ถึงสิบอย่างรูปอื่นๆก็มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันแต่ว่ามีจำแนกเอาไว้ถึงส่วนประกอบต่างๆน้อยกว่าบ้างมากกว่าบ้างและรูปกราปะเหล่านี้ก็เกิดจากสมุทฐานทั้งสี่นั้นเช่นเดียวกันที่เกิดจากกรรมมีเก้ากราปะยกตัวอย่างเช่น จากขุทัสกะหมวดสิบทั้งจักรสูดังกล่าวมานั้นที่เกิดจากจิตมีหกกลาปะเช่นวิญญาตทั้งสองดังกล่าวมานั้นที่เกิดจากฤดูคือดินฟ้าอากาศโดยเฉพาะที่ยกเตโชธาเพราะว่าที่ชื่อว่าฤดูนั้นอุตุหรือฤดูก็หมายถึงเย็นหรือร้อนที่เป็นสมัญญาเรียกว่าเตโชธา ที่เกิดจากฤดูดังกล่าวมีสี่กลาปเช่นได้ แ, แก่เสียงที่พูดเสียงที่พูดนั้นจะสำเร็จเป็นเสียงได้ก็ต้องประกอบด้วยอวินิโยคารูแปดแล้วก็ตัวเสียงรวมเป็นเก้าเรียกว่าสัทธานวกะหมดเก้ารวมทั้งเสียงด้วยจะเกิดเป็นเสียงขึ้นได้ก็ต้องอาศัยอุตโตถ้าไม่มีอุตุก็เป็นเสียงขึ้นไม่ได้ ฉะนั้นหมวดเสียงนี้จึงชื่อว่าเกิดจากอุตุหมายถึงที่เป็นตัวเสียงขึ้นมาแต่ว่าที่จะเป็นวิญญาต์คือที่จะเป็นภาษาให้หมายรู้กันนั้นเกิดจากจิตต้องมีจิตเข้ามาผสมมีเจตนาจะพูดออกไปส่วนที่เกิดจากอาหารนั้นท่านว่ามีสองกลาปะได้แก่อวินิโคคารูปทั้งแปด ซึ่งเป็นตัวยืนพื้นเป็นรูปที่ยืนพื้นอยู่และความเบาความอ่อนความควรแก่การงานของกายกับอวินิโภคารูปทั้งแปดนั้นประกอบกันเป็นอีกหมวดหนึ่งเรียกว่าหมวดสิบเอ็ดคือว่าหมวดแปดที่เรียกว่าอาวินิโภคารูปนั้นเป็นตัวยืนพื้นเมื่อมีความเบาอย่างรูปของคนเป็นนี่ก็มีความเบาบวกเข้าอีกหนึ่งมีความอ่อนของรูปเช่นว่า คู่แขนเข้าเหยียดแขนออกเข้าได้สะดวกนี่ก็บวกเข้าไปอีกหนึ่งมีความคล่องแคล่วควรแกการงานทำโ น, น่นทำนี่ได้ก็บวกเข้าไปอีกหนึ่งแดบวกสามก็เป็นสิบเอ็ดจัดเป็นอีกหมวดหนึ่งเหล่านี้เกิดจากอาหารและบางอย่างก็เกิดจากสมุทฐานสองอย่างหรือหลายอย่างเพราะฉะนั้นรูปที่แบ่งไว้ในอภิธรรมนี้จึงละเอียดพิสดารเป็นการจำแนก ที่น่าศึกษา